l i น e Official rmutt ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์แห่งใหม่ของคนทุกวัย <Line. S 1> ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวสารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะคุยเรื่องดังฟังเรื่องเด่นรวบรวมประเด็ดนที่น่าสนใจในกอบข่าวเช้าวันศุกร์โดยปิยพงษ์เทนทวายและอาทิตยาปักกะทานัง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 เช้าเชแบบนี้นะฮะสี่นาฬกาถึง4ี่นาฬิกาสนาทีสดพร้อมกับช่วงเวลานี้ส่วนเวลาอื่นนะฮะก็ติดตามกันได้ทาง Facebook ของสถานีก็จะนำรายการมาไลฟ์รีรลนอีกครั้งหนึ่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะฮะก็จะได้มีช่วงเวลานะฮะเผื่อคนไหนที่ไม่ได้ฟังแบบสดๆนะฮะทางเอฟเอกาจุดห้ก็ฟังทางแฟนเพจของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะวันนี้เจอกันกันกบผมพิยพงศ์เคนไครับพร้อมด้วยคุณอาทิตยาปกักธานางังนั่งเช่นเคยที่โต๊ะเวลานี้ครับ ค่ะสวัสดีค่ะคูฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณเปียวพงศ์ที่บอกว่านั่งโตคือนั่งโตอ้อกาศล้วนะฮะมีโต้มีเก้าอีอ้ถ้าเราไม่นั่งโต๊ะเราจะทําอะไรค่ะคุณยืนื <c oughs> ยืน <c oughs> คือสา ม, มากนะต้องถ้ายืนเนี่ยต้องอ่านแบบเป็นอัดสปอร์ตลงเสียงะนะก็ต้องใช้พลังนะแต่ถ้าแบบจัดรายการยาวๆเนี่ยขอนั่งแล้วกันนะขอนั่งแล้วกันเริ่มเริ่มนั่งมังไม่ไหวยาวๆแล้วกันนะฮะอ้าวเรื่องราวในวันนี้นะฮะมาดูกันสันิดนึงมีสาวเปิดกระจกมาถามคนอ่าขณะที่รอรถเมย์ เออมีใครจะไปลาดพร้าไหมคะไปด้วยกันไหมคือคุณเคยคิดมาปกติแล้วเนี่ยเวลาเรายืนรอรถเนี่ยหลายท่านทีฉันเชื่อนะรอรถประจำทางเนี่ยรอนานนานไม่รู้จะมาเมื่อไรดูในระบบแอปพลิเคชันก็แล้วรถอีกนานเลอวเกินทำไมมันไม่ขยับเลยนะคะบางทีเรามองไปในรถที่เป็นรถส่วนตัวหลายๆคนนะก็อาจจะมีการคิดเล่นๆนะว่าเอ๊ะคนนี้เขาไปเส้นทางเดียวกับเราหรือเปล่าเออ เออถ้าเกิดเขาไปเส้นเดียวกับเราก็ดีเนาะถ้าเกิดว่าเขาแบบชวนเราไปด้วยแต่ส่วนมากมผมเห็นอย่างงี้นะเวลาสมัยก่อนจริงๆเนี่ยผมผมต้องกลับตรงสนามบินสุวรรณภูมิคุณฟังยังไงคุณคือผมกลับไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนบางทีเรากลับดึกอืแล้วรถที่จะต้องเวียน <รถ S 2> ออกไปคือมันจะมีรถเวียนสนามบินเนี่ยคื อ, อสายดีคุณฟังค่ะออกไปตรงถนนลาชกระบาอคือเขาก็จะไว้ส่งแบบคนที่อยู่ตรงพื้นที่นั้นนั่งรถมาหรือบางคนทํางานเาก็จะอยู่ในโซนนั้นกันแล้วบางครั้งเนี่ย รถมันเกือบจะหมดหรือมันช้าไงคือเหนื่อยไงเหนื่อยเลิกงานแล้วกลับบ้านคุณเที่ยวสุดท้ายคือกะมาแล้วกว่าทุกคนไปหมดเลยหมายถึงว่ารับคนไปจนหมดเลยทีเดียวเนี่เสร็จทุกเขาก็จะแชร์กันแต่ว่านี่คือเขาแบบแชร์แชร์รถแท็กซี่คอรถแท็กซี่ร่วมกันแต่ก็แชร์กันอันท่รกเคยเจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันส่วนมากก็ถ้าแบบ เส้นเดียวกันไหมไปไหมตรงไหนตรงไหนไหนโอเคเขาก็ไปแล้วก็แชร์กันว่าค่าแท็กซี่เท่าไหร่ก็อย่างมากก็ไม่ได้จ่ายคนเดีย ว, วกันค่าแท็กซี่นะครับก็<ต> ป, รประหยัดสักนิดนึงคือแพงกว่าเดิมสักสามบาท5บาท อ่าเหมือนบางเส้นทางเขาบอกว่า70บาทอ่ะสมมตินะคุณมีเพื่อนร่วมทางสัก4คนคุณก็หารเจ็นะใช่ก็ประหยัดก็ถูกลงแล้วเนาะนะก็เหมือนเท่ากับไปรถเมย์อันจริงๆคือไม่ใช่ว่าเราไม่นั่งรถสาธารณะนะแต่คือมันดึกแล้วเนมันไม่มีรถมันไม่มีรถไปที่รถนังหือบางทีเนี่ยฝนตกเราก็ไม่ไหวแล้วนะเพราะว่ามันเดินทางมันลำบากเหลือเกินเพราะงั้นถ้ามีเพื่อนร่วมทางก็คงจะดีแต่ว่าการจะเลือกเพื่อนร่วมทางไปเนี่ยก็ต้องดูด้วยเหมือนกันใช่บางคนแบบไม่กล้าเอ๊ะเราเป็นผู้หญิงจะไปนั่งแบบรถที่ เอ๊ะเขาจะไปไหนชวนหรือเปล่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคือบางทียืนอยู่เฉยๆมีคนมาชวนเนี่ยมึงบางคนเขาก็คิดในแง่ที่ว่าเอ๊ะคนนี้ชวนเราเนี่ยเขามีอะไรหรือเปล่าเขาจะนัดใครไว้ที่ปลายทางหรือเปล่าอ่ะมันเป็นความคิดอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะฮะก็ อาจจะบอกว่าคุณหน้าว่าเอ๊ะอยู่แถวบ้านเราอะไรเงี้ย อ, อันนี้นอาจจะได้อยู่<ฮ>ะนะค ะ, <ฮ>ะแต่ว่าเรื่องราวนี้ค่ะจากแฟนเพจนะคะ fm 91 traffic pro นะคะมีการเผยข้อความสุดประทับใจจากผู้ใช้ a c e b o o k รายหนึ่งซึ่งเล่าแบบนี้นะบอกว่าระหว่างยืนรอรถและฝนเริ่มโปรยลงมาเส้นอโศกไม่ต้องพูดถึงสภาพการจราจร<อ>รถ <ฮะ S 2> ติดไม่ขยับเลยทีเดียว คุณพี่ผู้หญิงบนรถคันนี้ซึ่งน่าจะมากับแฟนเปิดกระจกแล้วตะโกนถามคนที่ป้ายรถเมย์ว่าพี่คะมีใครจะไปเส้นลาดพร้าวไหมคะไปด้วยกันได้คะ่ะคุณขาจากอาโศกไปลาดพร้าวเนี่ยดีฉันต้องบอกว่าเป็นเส้นทางของคันที่หารถยากด้วยแล้วก็เดินทางยากด้วยต่างหากนะคะทุกคนที่ป้ายตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่างงๆนะทีนี้เนี่ย ก็มีการตะโกนถามอีกรอบปรากฏว่ามีแค่คนเดียวคุณที่บังเอิญไปในทางเดียวกับพี่เขาก็เลยวิ่งขึ้นรถไปด้วยกันเห็นแล้วถึงกับอุทานบอกว่าโอ้โหน่ารักเวอร์ทำไมใจดีขนาดนี้นะคะแต่ก็เห็นนะว่ามีแบบที่ไปทางเดียวกันชวนไปด้วยกันแต่ก็ต้องสอนใจ ส, สนใจว่าไปดีไหม ะจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะแต่อันนี้เนี่ยพี่เขาตะโกนถามขึ้นมาแบบว่าที่ป้ารถมีเลยนะซึ่งก็ถือว่าเป็นน้ำใจจริงๆนะคะขนาดรถกำลังจะเคลื่อนเนี่ยก็ยังถามอีกรอบว่ามีใครจะไปอีกไหมน่ารักมากค่ะว่นนี้บางคนก็คือมันก็มีหลายมุมมองนะครับก็ถ้าถ้าสมมติว่ามี ม, มีมีน้ำใจกันหมดแบบนี้ <True. S 2> แล้วก็ไม่เกิดเหตุการณ์นะก็คนก็จะได้เป็นแบบคาพูนะ ขับูไปด้วยกันเดินทางไปด้วยกันคุณเคยเจอเหตุการณ์ที่ว่าไม่มีแท็กซี่ไหมแล้วมีแท็กซี่มาทีเดียวแต่ว่าแท็กซี่เนี่ยไม่ได้ไปเส้นทางเดียวกันทั้งหมดคือมีผู้โดยสารหลายท่านอ่ะที่ฉันเคยเจอนะแต่ไปดีเส้นที่บอกว่าคนนี้ลงก่อนอีกคนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบนาตรงนั้นมันไม่มีรถเลยจริงจริคือคือขอออกจากตรงนี้ก่อนคือแต่ที่ที่จะถามนะว่าแบบเอ้จะไปจะยอมไปด้วยกันไหมครับเคือพอไปเริ่มตรงนี้ปุ๊บเริ่มกดสตาร์ทใหม่ใช่แต่บางคนก็ก็ยอมนะว่าแบบเออ ในไหนมันก็ไม่มีรถแล้วอะพี่พงศ์บางคนก็คิดว่าแล้วว่าเออมันมันก็ไม่ห่างจากเส้นเดิมเท่าไหร่ไงแล้วยืนคนเดียวมันก็ไม่ไหวนะในช่วงค่ำคืนนะมันก็ต้องระวังกันอ๋อก็จับยังไงก็แล้วแต่คือก็ต้องมองในหลายมุมนะคนคนอยากจะชวนเนี่ยก็ก็อยากจะคือเหมือนแบบก็มีน้ำใจว่าเรามีที่เหลือในรถแต่ว่าเราเห็นคนยืนหูเยอะขึ้นมาเลยแต่เราต้องไว้ใจด้วยนะคือเอาไว้เอไว้ใจว่าคนที่จะขึ้นมากับเราเนี่ย เขาไม่ไม่ไม่ไอกับเราไม่สร้างความอันตรายกับเราแล้วคนที่จะขึ้นเนี่ยก็ต้องเช็คดีๆนะไม่ใช่ขึ้นสุ่มสี่ซุ่ม5กันไปอันนี้ดีฉันมองว่าเขาน่าจะชวนแบบว่าน่าจะเป็นคนทํางานนี่แหละยืนรอกันแบบเต็มๆที่อโศกอะนะก็ดูแลเกาะรถว่างอะไรอย่างงี้อ่าเป็นแบบครอบครัวการในหรือเปล่าเป็นเป็นหรือเป็นผู้หญิงหมด ก้าวไว้ใจได้เลยก็ไปไ้นะฮะอีกเรื่องเรานึงพูดถึงโซเชียลมีเดียกันบ้างเดี๋ยวนี้ในการขายเปียโพงขายยากยากการขายของบนโลกออนไลน์ตอนนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในช่วงก่อนคือการใช้สื่อแบบเฟซบ o o กเฟซบุ๊กไล o ์เนี่ยขายของใช่ a c e บ o o k อย่างเดียวไม่ได้้วนะมันต้องมีคอนเซปต์คือบางคนบอกว่าพูดไปก็บอเยกว่า สร้างกิมมิคให้ตัวเองใช่ผมจำได้ว่าที่ล่าสุดก็คือก่อนหน้านี้คือที่เป็นแบบไขาปลามึกไงอ่าใช่เออเขาก็จะมีทีของเขานะแม่ฉันต้องได้กินกุ้งเพ่อฉันต้องได้กินกุ้งใช่ไหมอ่าอะไรเงี้ยก็เป็นกิมมิคไปจากที่รู้สึกว่าจะไม่มีแล้วแล้วก็มีคุณพิมพ์ริพายนะที่ที่ขายเครื่องสำอางเป็นหลักอะเนาะที่เธอจะแบบว่าพรีเซนต์น้ําหอมแล้วก็พูดถึงลักษณะไปถึงลักษณะนะเป็นเป็นกิมมิคหนึ่งในการขายที่แบบคนเข้ามาดูก็แบบโอ๊ย สนุนสนานกันว่าอย่างนันนะค ะ, ะก็สีสันกันไปอีกมิติหนึ่งของการขายของคือความตั้งใจเองเนี่ยคนขายห้อง ข, ขายปกติแหละก็าจะมีคนดูแต่พอขายไปขายมาปุ๊บรู้สึกแบบไม่มีคนตอบแบบฟีดแบคบมันไม่ค่อยดีไม่มีใครตอบเราเลยคนเข้ามาดูแค่กี่สิบคนเท่านั้นใช่นะฮะ ม, มิติใหม่ของการขายชุดนอนคุณผู้ฟังขายชุดนอนแบบนี้เขาบอกว่าโชว์หลับระหว่างขายเลยและการขายคือไม่พูดด้วยนะเขียนป้ายทิ้งไว้ ปักป้ายไว้เลยว่าถ้าคุณอยากซื้อราคาเท่านี้บาท ต, ต้องทำอะไรตามเงื่อนไขเตือ น, นมาเดี๋ยวมาจัดการให้นั่นแ่ะสิคนดูเยอะกว่านะ <c oughs> สม <c oughs> ผมเห็นลูกคนดูบอกชอบที่เขาแคปมานีนชอบชอบชอบ3 0 0พันกว่าคนก็คุยกันเองนะคนคนซื้อนะ่ะคุยกันเองแต่แอบเห็นใจพ่อค้านะะเรื่องราวนี้นะคะแฟนเพจ Facebook โคถูกช็อปไลฟ์นะคะเป็นเพจขายสภาพผู้หญิงค่ะโดยเฉพาะชุดนอนสตรีนะคะซึ่งมีการการันตีเนื้อผ้าว่าสวมใส่นอนสบายหลับได้ยาวนานทั้งคืนซึ่งผู้ขายนั้นเขามีการรีวิวนะเป็นผู้ชายค่ะแต่ใส่ชุดนอนพร้อมกับหลับโชว์จริงๆจนมีผู้รับชมนะแล้วก็พากันพูดถึงการไลฟ์สดขายในครั้งนี้มากมายนะคะโดยการไลฟ์สดขายสินค้าดังกล่าวนี้ค่ะผู้ขายนะคะเป็นชายหนุ่มค่ะคุณก็สวมชุดนอนนะแล้วก็ใช้ผ้าปิดตานอนหลับต่อหน้ากล้องวิดีโอที่กําลัง ขณะที่ท่านวันหนุ่ยเสภาเองเนี่ยเขามีการติดป้ายติดประกาศนะเป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เป็นป้ายแจ้งประกาศบอกไว้ว่าพูดไม่มีคนดูนอนดีกว่านะฮะหากจะซื้อให้แชทมาทาง Facebook หรือโทรปลุกทําให้ตื่นตาต่อผู้ที่พบเห็นน ะ, ะแล้วก็พากันเข้ามารับชมแชร์เทคนิคการขายที่ไม่เหมือนใครนี้ค่ะอ่าอย่างไรก็ตามภายหลังที่มีการขายเนี่ยเป็นที่สนใจของโลกออนไลน์ผู้รับชมไม่เพียงสนุกสนานกับมิติใหม่ของการขายผ่าน Facebook เท่านั้นนะฮะยังโทรเข้ามาสั่งชุดนอนเข้าอย่างแบบไม่ขัด คุณนี้ฉันจะบอกว่าคนที่เข้ามาแชทเข้ามาดูเนี่ยแหละเป็นคนขายแทนพ่อค้านะคือคือคนที่อยู่ในห้องอ่ะเพาะเขาแบบอาจจะพ่อค้าถามว่าเท่าไหร่คนที่มาก่อนน้นี้เขาตอบเลยนะเออถ้าตัวเดียวแปดแปดถ้าสองตัวหกสิบหลายตัวหกเออค่าส่งเท่าไหร่ตอบให้หมดพ่อค้านอนอย่างเดียวเลยเหมือนพรีเซนเตอร์ดูกันไปพรีเซนเตอร์ว่านอนสบายจริงไม่จรแล้ผมก็คิดว่าไม่ตอนดูทีแรกอ่ะคิดว่าเป็นผู้หญิงไงดิฉันก็คิดเป็นผู้หญิงอเหมือนคิดว่าผู้หญิงแบบ แบบมีมี<ช> ม, ม, มีท้องหรือเปล่ามีคันหรือเปล่ามีเด็กหรือเออปล่าเป็นผู้ชายเ<ช>จ้าเนื้อหน่อยเนื้อมากเลยนะฮะเป<น>็นขนาดใส่เองเลยนะเขาเขาก็ใส่ให้ดูว่าเออมันเป็นลักษณะยังไงเพราะบางคนแบบใส่ไปแล้วเสื้อเสื้อจะใส่ได้ไหมทรงนี้ชุดแบบนี้อย่าง<ช>นี้นะฮะเอาก็ถือว่านักขายสุดแนวนี่ก็ตื่นขึ้นมาขายของตามกดแต่ก็ต้องใช้เวลาเล็กน้อยนะฮะเพราะชุดนอนของเขานั้นเนี่ยรีวิวกระชับใสแล้วหลับสบายว่าแทบจะไม่อยากแยงตาตื่นเลยทีเดียวคือบางคนแบบ ทำแบบรีวิวไปพูดคนเดียวไงเหนื่อยแล้วไม่มีคนตอบโต้ไงมันเริ่มเพลียไงก็คงจะแบบ<ช>เร อ, อ, องของีบหรอแล้วกันเห็นเขาก็มีการแบบว่าแม้ตอนขายนี่ไม่เข้ามาดูนะพอหลับนี่เข้ามาเป็นพ0 0 0า0พันสี่คนนะอะไรมบบแปลกๆอะคนเราก็ชอบนะคุณเอาสักนิดนึงนะฮะในเบรกนี้เรื่องของจิตแพทย์หรือเรื่องของการดูซีรีส์สันิดนึง<ช>คือซีรีส์มาเยอะหนังการดูนี่มันมีหลายช่องทางเี๋ยวนี้เขามีช่องทางแอปพลิเคชันหลากหลาย ก, ก, การสมัคร รับชมรายเดือนแล้วก็มีซีรีส์ต่างๆที่เขาทํามาเพื่อตอบสนองในแอปต่างๆซึ่งไม่สามารถจะดูตามเว็บไซต์ต่างๆได้นะค ะ, ละหลายคนเนี่ยเขาก็ติดซีรีส์กันมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการเตือนอย่างหนึ่งสําหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าในการดูซีรีส์คนเดียวคือบางครั้งเนี่ยเมื่อคุณเลือกนะไปดูในบางเรื่องเนี่ยจะเพิ่มความโดดเดี่ยวให้กับตัวเองแล้วก็ตัดตัวเองออกจากสังคมและทําให้อดนอนนะคะอาการโรคก็จะแย่ลงด้วยแนะนําว่าถ้าหากอยากจะดูต้องมีครอบครัวหรือว่าเพื่อนมาร่วมดูด้วยค่ ะ, ะท่านผู้มีเกียร โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินนะฮะท่านนายแพทย์กิตกวีโพนโพโนนะฮะท่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องการดูซีรีส์ทางอินเทอร์เน็ตบอกว่าตัวนี้แบบโหคนฮิตฮอตฮิตมากเพราะดูได้จากมือถือนะฮะดูได้ทุกที่ทุกเวลาแง่ายดี<ช>คือช่วยผ่อนคลายนะใครเครียดจากงานเพลิดเพลินนะฮะแต่ต้องมีความพอดิบพอดีไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อสุขภาพกายและก็จิตใจได้แม้ในไทยจะยังมีการศึกษาเรื่องนี้น้อยนะฮะแต่ว่าจากการศึกษาในต่างประเทศอย่างเช่นอังกฤษ ว่าผู้ใหญ่1ใน3เนี่ยใช้เวลาดูทีวีเฉลี่ย 1.42 วันต่อต่อสัปดาห์ะนะฮะส่งผลให้เกิดปัญหาอ้วนแล้วก็อดนอนมีผลต่อปัญหาการจดจำรวมถึงยังเสี่ยงต่อการเสพ เสพติดเช่นเดียวกับสารเสพติดซึ่งเป็นซึ่งเกิดจากกลไกภายในสมองกันด้วยคือแบบไม่ได้ดูมันกำลังมันต่อในออไหมขออีกนิดนึงขอให้นิดนึงนะคะคขณะที่ความเห็นของแพทย์หญิงพรชิตาเลือดอมรวรรณิศนะคะเป็นจิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนาครินก็บอกว่าซีรีส์เนี่ยนะคะเขาจะมีเป็นตอนๆแล้วก็มีระบบต่อนเนื่องอัตโนมัติด้วยนะคะซึ่งทําให้เกิดความเพลิดเพลิหรือว่าติดลม โหมีหลากหลายเป็นสิบเลยเรียงกันว่าอย่างนั้นนะคะพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเรียกกันว่า binge watching นะคะก็คือการดูรวดเดียวจบหรือว่าดูแบบมาราธอนค่ะซึ่งอาจใช้เวลามากเป็นวันหรือว่าข้ามวันข้ามคืนผลกระทบก็คือแน่นอนค่ะอดนอนแล้วก็มีผลต่อการทํางานของสมองด้วยนะคะบางคนยังทํางานอยู่เลยนะก็ดูซีรีส์ไปด้วยแล้วก็ต้องไปทํางานด้วยว่าอย่างนั้นนะคะมีผลด้านความคิดความจามําการเรียนรู้ด้านภาษาค่ะการตัดสินใจก็จะเชื่องช้าลงหรือว่าเรียกว่าสมองตื่นนั่นเองนะคะคแล้วก็มีผลกระทบกับการทํางานแล้วก็การเรียนด้วย ทำให้รมหงดหงิดง่ายนะคะถ้าอดนอนต่อเนื่องกันไปเวลานานก็จะจทําให้เกิดภาวะทางจิตนะอย่างเช่นหูแว่วหรือว่ามีการประสาทหลอนได้ด้วยค่ะน้าคุณหมอยังบอกว่าการดูซีรีส์สามารถดูได้โดยดูร่วมกับคนในครอบครัวหรือมีเพื่อนๆ อ, ม, อามาดูเป็นตอนๆไม่แนะน<ช>ําให้ดูคนเดียวเนื่องจากจะเพิ่มเวลาในการอยู่คนเดียว ตัดตัวเองออกจากสังคมโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยนะครับหรือการออกไปข้างนอกการใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยก็จะน้อยลงชเช่นการออกกําลังกายนะฮะซีซีรีส์เนาะออซึ่งไม่เป็นผลดีทางในแง่ของการรักษาอาจทําให้อาการแย่ลงไปอีกนะฮะโดยซีรีส์ผู้ที่มีอาการซึมเศร้าไม่ควรดูนะครับคือซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหรือเรื่องเศร้าเศร้านึกจากจทาให้ความเศร้าที่มีอยู่เนี่ย มั น, มนยิ่งแย่กว่าเดิมมันมันเพิ่มขึ้น<อ>นะฮะหรือนอนไม่หลับอาจเป็นอันตารายต่อชีวิตได้สำหรับประชาชนทั่วไปนะคะในการดูซีรีส์เองอย่างมีความสุขและป้องกันการติดลมนะคะอย่างแรกเลยก็คือต้องกําหนดเวลาชัดเจนไม่เกิน2ชั่วโมงต่อวันนะคะพักผ่อนร่างกายให้เต็มที่ผู้ใหญ่นอนเจ็ดถึง8ปดชั่วโมงเด็กมัธยมนะคะนอนแปถึงเก้าชั่วโมงเด็กประถมนอน10บถิบเชั่วโมงค่ะไม่ดูซีรีส์ในห้องนอนนะคะไม่ให้รบกวนเวลานอนควรหยุดเมื่อจบตอนหรือว่าหยุดดูในช่วงกลางๆขออองงตนนเื่จากว่าในช่วงทท้าเมจะิ้งปม แล้วก็จะไปดูต่อ น, นั่นเองค่ะแล้วก็ควรจัดเวลาในการออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยนะคะอย่างเช่นดูซีรีส์ไปด้วยออกกําลังกายไปด้วยก็เวิร์กอยู่นะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละสาวันไม่ต่ำกว่า30นาทีนะคะก็จะคลายความเครียดไปด้วยและสุดท้ายก็คือต้องจัดเวลาให้กับครอบครัวด้วยรับประทานอาหารร่วมกันช่วยกันเตรียมอาหารแบบนี้ค่ะอ้าวนะฮะก็เป็นบางคนบอกว่า อิน่ะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในนางคือจริงๆอ่ะกะว่าจะจบตอนนี้แล้วแต่พอจบปุ๊บอ้าวจะรู้ตัวคนร้ายจะรู้ตัวคนร้ายก็ไปดูตอนต่อไปปรากฏว่าถูกลออค่ะเพราะว่ายังไม่เฉลยนะยังไม่เฉลยต้องรู้ต่อไปอีก่อย่างนั้นอย่าเอาอย่าไปติดอะไรมากค่อยๆดูกันไปนะฮะผ่อนคลายนะครับเดี๋ยวพรุ่งน้ามาดูเรื่องราวของพยูนกันสนิดนึงนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเรามีการ ให้ช่วยกันตั้งชื่อเนาะหลายคนก็ตั้งชื่อกันมาเยอะหลายชื่อก็มีชื่อน่ารับวันนี้ได้ชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับะจะใช้ชื่ออะไรเรื่องราวอื่นๆในเบรกหน้าเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศูนย์รงังสิ์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 ตามในช่วงนี้นะคะกรอบข่าวเช้าวันศุกร์ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะผู้ฟังคะ่ะเรานำเสนอเรื่องราวของพยูนเกยดตื้นตัวใหม่นะคะซึ่งเป็นเพศผู้ด้วยแล้วก็มีการให้ประชาชนเองเนี่ยร่วมกันแสดงความคิดเห็นในเรื่องของชื่อใหม่กันนะคะแต่ล่าสุดค่ะทางด้านของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันณวรีนารีรัตน์ ราชกัญญาพระราชทานชื่อยามีนนะคะให้กับพยูนเกิดตื้นตัวใหม่นี้พร้อมกับรับมาเรียมและยามีนไว้ในพระอุปธรรมด้วยค่ะครับผมนะฮะมีข่าวนะฮะออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการพระราชทานชื่อให้กับพยูนตัวใหม่นะครับเป็นตัวผู้นะฮะเป็นเพศผู้นั่นเองนะครับโดยทางามีการรายงานว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงพระกรุณาพระราชทานชื่อให้แก่พายนที่เกิดตื้นตัวล่าสุดโดยชื่อว่ายามี น, ยา ม, นยามีนนะฮะ ก็ได้ชื่อนี้นะครับซึ่งพายุนตัวนี้อยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับโดยคําว่ายามีเนี่ยเป็นภาษายาวีหมายคําว่าชายรูปงานแห่งท้องทะเละและก็ส่งรับลูกพายุนมาเรียมและก็ลูกพายุนมายามีเนี่ยไว้ในโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระเจ้าดมริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวรณวรีนารีรัตด้วยนะครับนอกจากนี้จังหวัดตรังและหน่วยงานพระเอกชนเองยังได้จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือพายุนและอนุรักษ์พายุนไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากทะเล เพราะจังหวัดตรังเนี่ยเป็นถิ่นอาศัยของพยุฝนฝูงใหญ่ที่สุดในประเทศโดยมีการตั้งชื่อว่ากองทุนมาเรียม เพื่อการอนุรักษ์พะยุนตรังใช่แล้วค่ะเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็มีการจัดกิจกรรมที่ชื่อว่าปัน่นปั่นน้าใจให้พายุนน้อยนะคะซึ่งเส้นทางปั่นจักรยานนั้นเริ่มต้นจากสถานีรถไฟกันตังสิ้นสุดที่เกาะลี่บงค่ะผู้เข้าสมัครนะคะก็จะได้รับได้รับไปแล้วนะคะเป็นเสื้อพายุน้อยราคาตัวละ300บาทโดยค่าสมัครทั้งหมดนี้นะคะนําเข้ากองทุนมาเรียมเพื่อการอนุรักษ์พายุนตรังในการดูแลรักษาพายุนที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่านําไปซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทัันสมย ะะเพื่อทําการรักษาพายุได้อย่างทันท่วงทีค่ะในงานนี้นะคะคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและคุณเอ็มอภินันประเสริฐวัฒนกุลนะคะ2นักแสดงชื่อดังเองก็ได้เทินทางร่วมกิจกรรมปั่นในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ได้รับเงินบริจาคเข้ากองทุนน้องมาเรียมทั้งหมดห0 0 0สนบาทก็จะเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลเพื่อไปชมความน่ารักของมาเรียมถึงเกาะลี่บงเลยนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนด้วยให้ร่วมกันในการบริจาคเงินเข้ากองทุนมาเรียมผ่านธนาคารกรุงไทยนะคะชื่อบัญชีมาเรียม เพื่ออนุรักษ์พายุนตรังเลขที่ 931-034-9735 ค่ะครับผมอ้าวก็เป็นเรื่องราวนะฮะของพายุอ่าพายุที่คนติดตามพอสมควรหลัง<ช>จากที่มีการถ่ายทอดน ะ, ะให้คนได้เห็นว่าโหการดูแ ล, แลนะเป็นอย่างไ ร, รกันบ้างนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับทาง ท่านผู้ในการศูนย์วิจัยและพั ฒ, าพฒนาทรัพยากรทะเลมีการระบุถึงสปัจจัยสําคัญที่เป็นโอกาสรอดชีวิตของลูกพยูนทั้งมาเรียมและก็ยามีนกันด้วยนะครับใช่แล้วค่ะโดยทางมูลนิธิสืบนคะคะเสถียร น, นะคะมีการเผยแพร่บทความน่าสนใจนะคะโอกาสรอดของลูกพยุนมาเรียมในวันที่ไม่มีแม่ซึ่งในสัมภาษณ์ดก็กรก้องเกียรติกิติวัฒนาวงศ์ผู้ในการศูนย์วิจัยพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันซึ่งได้เปิดเผยถึงปัจจัยนะคะที่มีผลต่อาการรอด ชีวิตของลูกพายุสองตัวที่พบเกิดตื้นนะคะซึ่งขณะนี้ทั้ง2นั้นกําลังอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดค่ะดรก้องเกียรติอธิบายแบบนี้นะคะโอกาสรอดชีวิตของพายุสองตัวเนี่ยขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยด้วยกันค่ะปัจจัยแรกก็คือความพร้อมด้านร่างกายของลูกพายุปัจจัยต่อมาก็คือความสามารถในการเรียนรู้และการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในส่วนปัจจัยสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องสําคัญอย่างมากก็คือเรื่องของภัยคุก ค, ค, คามที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ในบริเวณนั้นค่ะอ่าแน่นอน ที่เกิดตื่นเพราะว่า 89% เกิดจากการติดเครื่องมือประมงโดยบังเอิญนะฮะสิเกิดจากการป่วยและอีก 1% เกิดจากสาเหตุอื่นอืมคือที่ตรงนั้นเนี่ยจะปลอดภัยได้ถ้างปราศจากกิจกรรมจากเครื่องมือทางการประมงอมแล้วก็การสัญจรทางน้ําด้วยนะครับค่ะสิ่งที่เป็นข้อกังวลหลังจากที่ปล่อยลูกพายุนไปตามธรรมชาตินั่นก็คือต้องมีการวางมาตรการเพื่อให้บริเวณที่พายุนทุกชุมเนี่ยมีความปลอดภัยและควบคุมในเรื่องของกิจกรรมทางทะเลด้วยนะครับซึ่งขณะนี้ คนในชุมชนรีบงเองก็ได้ให้ความร่วมมือในการดูแลอย่างเต็มที่เช่นงดกิจกรรมประมงในพื้นที่ที่เป็นอันตรายกับพายุส่วนภาคท้องถิน่นและก็จังหวัดเองก็ช่วยในเรื่องของการเข้ามานาคมของทีมเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่นะครับใช่แล้วค่ะสำหรับพายุมาเรียมนั้นนะคะจะกลับบ้านได้ในอีกสิเดือนข้างหน้านะคะซึ่งเป็นการคาดการเบื้องต้นของทีมที่ดูแลมาเรียมบวกกับในช่วงวัยที่เริ่มโตขึ้นเมื่อมาเรียมอายุมากขึ้นนะคะก็จะแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็จะเริ่มออกห่างไปเองค่ะจนถึึงงวันนนห่่ะะะคะก็จไ ม, ม เจ้าหน้าที่อีกแล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นการกลับไปสู่ธรรมชาติของพยูนนั่นเองเพื่อโตเป็นสาวเขาก็จะออกไปใช้ชีวิตของเขาเองคือตอนนี้เขาติดแม่อยู่ไงต้นกับเจ้าหน้าที่เนาะยังต้องทานนมต้องดื่มนมกินหญ้าทะเลนะฮะก็พัฒนาการก็เริ่มดีขึ้นนะครับมาดูเรื่องราวการเดินทางของคนกรุงเทพกันบ้างนะครับการก่อสร้างรถไฟฟ้า ตัวที่เป็นสีเขียวส่วนต่อขยายเองเนี่ยก็เห็นความคืบหน้ากันมากขึ้นแล้วก็มีบอกว่าเสร็จสถานีไหนก็จะทยอยเปิดให้บริการล่าสุด BTS เช็คความพร้อมแล้วนะฮะออกข่าวออกคราวกันไปคนก็ตื่นตาตื่นใจอุ๊ยฉันตื่นตานะครัเบียร์ผมบางทีเขาบอกให้นั่งฟรีเลยนะรู้สึกนไม่ต้องต่อรถแล้วนะฮะการเดินทางก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นกันด้วยนะครับดีเดย์ฟรีหนึ่งสถานีแรกนะฮะต่อจากหมอชิดหรือสถานีเขาไม่รู้จะเรียกว่าอะไรต่อจากส่วน <ผ> <จะ S 1> ก็จะดูจัก อ, ะอ่ะอ่าใช่หมอชิดนั่นแหละหมอชิดลาดพร้าวหมอชิดนั่นแหละนะฮะที่เราเรียกบีทนี่แหล ะ, ะหมอชิดจะไปลาดพร้าวสิงหาคมนี้นะฮะและก็ในส่วนของอีกสถานอีกสสถานีเนี่ยก็จะทยอยเปิดในช่วงของปลายปีนี้ครับใช่แล้วค่ะเรื่องราวนี้นะคะคุณมานิตเตจอภิโชคค่ะ กรรมการผู้อำนวยการบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดหรือเคทีนะคะได้เปิดเผยภายหลังจากการร่วมทดสอบการเดินสายรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงหมอชิตสะพานใหม่คูดคตนะคะโดยตอนนี้เนี่ยจะเปิดเดินรถ1สถานีจากสถานีหมอชิดไปยังสถานีห้แยกลาดพร้าวค่ะเป็นทางการนะคะเดือนสิงหาคมนี้แน่นอนนะคะซึ่งการเปิดทดลองเดินรถ1สถานีครั้งนี้เนี่ยเป็นการยืนยันกับประชาชนว่ากรุงเทพมหานครนะคะมีความพร้อมในการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตแล้วนะคะ โดยโครงการนี้นะคะจะไม่เก็บค่าโดยสารจนกว่าจะมีการเจรจาเรื่องสัมปทานทางการเดินรถไฟฟ้าระหว่างกรุงเทพมหานครและก็บีทอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งคาดว่าจะเจรจาเสร็จสิ้นในช่วง2เดือนนี้ค่ะสุนทรค่าโดยสารรถไฟฟ้าตลอดสายสูงสุดจะไม่เกิน65บาทนะคะทั้งนี้ภายในปีนี้ปลายปีนี้ BTS จะเปิดให้บริการเพิ่มเติมอีก4สถานีนะคะก็คือสถานีพหลโยธิ น, 24, นยีสิบสีสถานีราชโยธินสถานีเสนานิคมและสถานีมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งจะเปิดให้ ได้บการเร็วกว่าแผนที่กําหนดโดยจะกระจายความแออัดที่บริเวณสถานีหมอชิตออกไปนะคะประชาชนก็จะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ ะ, ะดูจะโล่งมากยิ่งขึ้นแล้วคนที่สัญจรไปมาตรงนั้นน่าจะวิ่งได้ดีขึ้นนะฮะใช่แล้วค่ะก็คือน่าจะได้คืนพื้นที่กันไปด้านนายสุรเทศเหล่าภูลสุขนะคะเราผู้ว่าการฝ่ายวิศวกรรมและการก่อสร้างของรอฟอร์มอเองบอกว่าการทดสอบรถไฟฟ้า BTS น ะ, ะจากสถานีหมอชิตไปให้แยกลาดเท้านี้เป็นการทดลองเดินรถเปล่านะฮะใช่ค่ะเอ่อระยะเวลา1เดือนเช็คความพร้อมซะนิดนึงกัน ดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากเปิดให้บริการถึงสถานีเป็นทางการคาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้งานเนี่ยเจ็ด1 0ื0 0ถึง 8,000 เที่ยวต่อคนต่อวันส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จร้อยเปอร์เซแล้วนะตอนนี้หยุดส่วนการอเมนิการติดตั้งระบบรถไฟฟ้าคืบหน้าไป7 0 8ถึงเเซพร้อม เปิดให้บริการตลอดเส้นทางภายในปี63จากเดิมจะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคมปี64คือเส้นทาง น, นี้มีความพร้อมมากเลยนะใช่แล้วทําไวมากเลยจะมาก่อนคนอื่นแน่นอนออนะคะคแล้วก็ติดติดกันก็คือจะเป็นสายรับท้าวสําโลงที่กำลังจะมาเร็วนี้นะคะทางด้า น, นของคุณสุรพงษ์ลาหาอัญญาค่ะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนนะคะก็เปิดเผยบอกว่าในส่วนของรูปแบบการเดินรถ1สถานีนี้นะคะจะแบ่งระยะเวลาการใ ห, ให้บริการสองช่วงก็คือช่วงเวลาเร่ง นะหรือว่าพีคเช้าและเย็นนะคะตั้งแต่7จ็ดโมงถึง9ก้ามงและตั้งแต่เวลา17บเนาิกาถึง19บเนิกาหรือว่าห้าโมงเย็นถึง1นึ่ทุ่มนั่นเองนะคะซึ่งจะเดินรถต่อสถานีหมอชิดไปยัง5แยกลาดพร้าวค่ะขบวนรถจะเดินรูปแบบขบวนเว้นขบวนก็คือขบวนหนึ่งะคะจะวิ่งสิ้นสุดที่ปลายทางหมอชิดอีกขบวนนะคะจะวิ่งไปถึงสถานี5แยกลาดพร้าวส่วนในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนนะคะจะให้ปริการถึงสถานี5แยกลาดพร้าวได้เลยค่ะคาดว่าผู้ใช้บริการช่วงแรกก็จะเป็นผู้โดยสารกลุ่มเด ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเคยใช้สถานีหมอชิดก็จะช่วยลดปัญหาในเรื่องของความแออัดแล้วก็การจราจรบริเวณถนนถนนพหนลโยธินได้ค่ ะ, ะผมว่าน่าจะดีขึ้นนะฮ ะ, เ พ, ะเพราะคนหลายคนเนี่ยคือจุดหนึ่งเนี่ยคนจะเดินทางวิภาวดีอีกกลุ่มหนึ่งคนจะเดินทางพหลโยธินต้องมีอมสองกลุ่มนะ แต่ก<ช>็จะ ม, จะมีจะมีทางแยกไปอีกแต่ว่าถ้า 2, 2> กลุ่มนี้เนี่ยขยับกันออกไปได้เนี่ยเขาก็จะแบบเบาลงกว่าเดิมเยอะคืออย่างนี้บางท่านบอกว่าเนี่ยที่ทำงานเน่ยอยู่แถวค้าแยกลาดพร้าวนี่แหล ะ, ะแต่เวลาจะกลับบ้านทีเรากลับบีทเอสนะแล้วเราก็จะต้องนั่งรถไปลงที่หมอชิดเพขึ้นต่อสายหมอชิดใช่ไหมคะมแต่ทีนี้เนี่ยพอเปิดตรงนี้แลป้ปุ๊บเนี่ยคุณสามารถขึ้นที่ตรงเซ็นท่าลาดพร้าวได้เลยอืมคือบางคนบอกว่าถ้าแบบอ้าไม่อยาก เสียค่ารถเม์ลงใต้คือไ ม, ไม่อยากจะไปต่อเพราะบางทีมันช้าไ ง, ก, งก็ลงใต้ดินคือมาได้ไมมาได้ไดแต่มันก็ต้องต่อไงอถ้าวิ่งไปได้เลยเนี่ยมันก็จะดีมันก็จะคล่องตัวมากยิ่งขึ้น<ช>นะครับอรออดใจรอสิงหาคมนี้ได้ใช้อย่างแน่นอนแล้วก็บอกว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดอของการทำ ม, นะนะมีการสำรวจมาว่าแบบว่ามีมีความต่างจากปกติที่เคยทำในทุกสถานีนะคะก็คือเป็นสถานีอยู่ตรงกลางนั่นเองนะคะคไปลองดูกันได้นะโครงสร้างของเขาโหค่อนข้างอลังการงานสร้างนะแล้วทำงานเสร็จไว้มากครับผมอรอติดตามนะครับชีวิตคุณภาพชีวิตของกรุงเทพนะฮะใะอดใจรออีกนิดนึงนะน่าจะดีขึ้นนะครับนี่ก็ได้หมดของ กรอบข่าวเช้าวันศุกร์ในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันยังมีเรื่องราวต่างๆก็จ ะ, ะเข้าพรรษาแล้วนะงดเล่าเข้าพรรษาหรือกันหรือยังหรือปรับตัวหรือยังบางคนวางแผนในการถือสินช่วง น, ะะนี้นะถ้าเกิดว่าใครจะงดเล่าเข้าพรรษาแล้วคุณไม่เคยทํามาก่อนนะคะช่วงนี้น่าจะลดปริมาณลงได้แล้วแล้วก็พอเป็นช่วงเข้าพรรษาปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถงดได้เลยนะคะแต่ถ้าจะไปงดตอนนั้นเลยเนี่ย จะลำบากแน่นอนนะคะเอาล่ะค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เราสองคนต้องขอลากไปก่อนนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ